อยู่นี้คนแก่เต็มบ้านเต็มเมืองแล้วนะเราเขา้าสุกสังคมคนแก่แล้วบางคนก็แก่เร็วกว่าที่ควรจะเป็นนะเห็นเป็นเด็กๆอยู่แป๊บๆแป๊บเดียวดูแก่กว่าหลวงพ่ออีก <laughs> เครียดจัดตอนมีเรี่ยวมีแรงก็ทำงานเก็บเงินไว้ ตอนแก่ๆก็ต้องเอาไปใจ่ายให้หมอเยอะเลยนะอาศัยหมอมากเลืเกินนะอย่างหลวงพ่อนะอยังค่อยช่วยนะมีหมอมาดูแลให้ถึงที่หลายหมอไปโรงพยาบาลก็มีหลายอาจารย์นะอยู่ที่นู้นเด <c oughs> ี๋ยวเอคนเราพอแก่กันะ ที่ที่ไปบ่อยๆมีสองที่คือวัดกับโรงพยาบาลตอนยังหนุม่มยังสาวนะก็ไปงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่อะไรเงี้ยาอายุเยอะๆ ย, ยมีแต่ไปวัดวันหนึ่งเราก็ต้องเจอนะ ถ้าเราไม่ตายซะก่อนแก่มากๆเพราะลาบากอ่ะสังคมเราไม่ได้เตรียมระบบอะไรที่รองรับคนแก่ไว้ที่ผ่านมาคนแก่อยู่กับลูกหลานคนโบราณนอยากมีลูกเยอะๆแก่แล้วจะได้อาศัยลูกนี่เป็นระบบประกันสังคมแบบโบรุรามโบราณเลยหวังพึ่งลูก ยูงนี้มีลูกคนเดียวหรือลูกสองคนลูกมันก็ต้องเลี้ยงลูกมัน <c oughs> มาเลี้ยงอะไรเราล่ะคนแกแ่ก็จะเหงาอยู่กันสองคนตายายบางคนไม่มีคู่ก็อยู่คนเดียวอยู่กับแมวอยู่กับมา้าธุรกิจเกี่ยวกับมแมวแมวก็เลยรุ่งเรืองโดยเฉพาะแมว คนแก่เลี้ยงหมาก็ยังสู้มันไม่ไหวนะ้วแรงมันเยอะเลี้ยงแมวตัวเล็กๆกพอสู้กันไหวหาความสุขไปวันๆนะมื่อควรอยู่สองคนสุดท้ายก็อยู่คนเดียวมันก็ตายไปคนหนึ่ง น, นี่แทนที่เราจะต้องเอาแมวเอาหมาเป็นสนารณะนะพนะอแมวเราตายร้องไห้เลยนะ มีนะบางคนมันผูกพันกษัตริย์มากเลยมีหนุ่มคนหนึ่งนะมาถึงก็มาหาหลวงพ่อนะยืย่นรูปมาเพื่อนผมตายขอหลวงพ่อช่วยแผ่เมตตาให้ด้วยมาดูอ้าวหมานี่ว่ะให้แผ่เมตตาให้หมา แผลเสร็จส่งคืนส่งมาอีกใบยายผมก็ตายได้เรียกกับหมาแน่มันเอาของหมามาก่อนยายอีก <c oughs> ดูสิมันผูกพันนะแตนที่เราจะต้องผูกพันกับสัตว์นะสัตวนะนะ์เเลี้ยงไม่เป็นไรหรอกสงเคราะห์สัตว์สงเคราะห์เลยแต่ถ้าใจผูกพันนยระวังไปเป็นเปรต น, นะเป็นเปรตอยู่กับหมาอยู่กับแมว หมาแมวเจ้าของตายไม่มีเจ้าของนะเป็นหมาข้างถนนเปรดนี้ก็เลยตามไปข้างถนนด้วยนะ <c oughs> อยู่กับธรรมะนะฝึกตัวเองอยู่กับธรรมะให้ได้อยู่กับตัวเองให้ได้อย่างเรายังไม่ตายเรายังหายใจอยูนะ่เรามีลมหายใจเป็นเพื่อนหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัว เวลาจะตายก็หายใจไม่ออกรู้สึกตัวหายใจไม่เข้ารู้สึกตัวเอ า, เอาตัวตรอดได้นะ <c oughs> นานนักหนาแล้วหลายสิบปีแล้วหลวงพ่อเคยไปเยี่ยมญาติที่ิรราชไปเจอพระนะนอนอยู่บนเตียงค้อยๆห้องพักไม่มีแคนไข้ยเยอะะ เราเตียงมาจอดไว้ทําทางเดินเนี่ยเยอะเลยเรเดินผ่านไปเห็นพระองค์หนึ่งนะที่จริงมีพระหลายองค์หรอแต่เราเดินแล้วเราก็ผ่านมีองค์หนึ่งให้น้ําเกลือหรือให้อะไรอยู่ก็ไม่รู้หันเดินผ่านเนะี่ยหันไปเห็นท่านด้วยทางตาหุ้ยดึงดูดโองคนี้ใสปิ้งเลยหน้าตาก็ใส นอนให้น้าเกลืออยู่นะถ้าท่านมีความสุขก็เข้าไปไหว้ท่านหลวงพ่อทํากรรมฐานอะไรครับท่านก็ถามว่าคุณอะทำอะไรทําอานาปณสติท่านบอกท่านพุทโธถามท่านทําไมไม่ทําอานาปนาสติด้วยล่ะครับท่านบอกเห็นไหมนี่ยะ ใส่จมูกไว้แล้วเกิด <c oughs> หายใจไม่ออกอ่ะธรามานาปร ست ีเป็นอย่างเดียวก็ตายสินะตายหมายถึงว่าจิตแย่นักปฏิบัตินะร่างกายตายไม่เดือดร้อนนะจิตเศร้าหมองเนี่ยเดือดร้อนท่านบอกท่านพุโทโธเกิดหายใจไม่ออกอย่างพุโทโธได้คุณหายใจธรามานาปร ست ีคุณหายใจไม่ออกคุณจะทํำยังไง ผมก็หายใจไม่ออกพูดหายใจไม่ออกโธหายใจเข้าไม่หายใจไม่เข้าเออหายใจไม่เข้าพูดหายใจไม่ออกโธท่านบอกเรานักปฏิบัตนะิเวลาเจอกันนะสดชื่นมากเลยเคชแทบจะลุกขึ้นมานั่งเลยนะทัากทีป่ป่วยอยู่ ไปกราบหลวงปู่เหรียนท่านตอนนั้นอาพาธมากแล้วใกล้มรณภาพแล้วตอนนั้นหลวงพ่อได้ 4, สี่พันษาทำเนียมพระเนี่ยสี่พันษาเนี่ย 4, ย, ยังไปไหนไม่ได้นะยังไม่พ้นนิสัยต้องห้าพันษาเราจะรออาจารย์เรามาแล้วก็ไปหาหลวงปู่เนี่ยนึกดูแล้วไม่ทันเอาไหเสียงนั่งรถไปหาท่าน แล้วอธิษฐานถึงท่านนะหลวงปู่อย่าถามพรรษาผมนะถามแต่ธรรมะนะถ้าถามธรรมะเรานะ่ไม่กลัวใครเลยหนะลวงปู่ก็ไม่กลัวต่นนั้นพรรษาที่สี่เนี่ยพรรษาที่สนะี่แล้วไม่กลัวใครพนะอไปถึงท่านกาลังนอนอยู่บนเตียงแบบเตียงโรงพยาบาลอนะพอ เราพ็ไปกราบพระอูปัฏฐาก็ไขเตียงตั้งขึ้นมาท่านก็นลุกขึ้นนั่งเรากราบเสร็จชี้น้ะจีพันษาบอกแม่หลวงปู่อุตสาติดสินบนไปแล้วนะบอกให้ถามธรรมะมาถามจีพันษาคำแรกเลยบอกท่านว่าสีครับใช้ไม่ได้ ต้องรักษาพระธรรมวินัยนะยังไม่พ้นนิสัยมาองเดียวไม่ได้เราก็นึกในใจนะรออาจารย์มาหลวงปู่โฮไม่อยู่แล้วนะยอมโดนด่าท่านก็ดุเอาว่ต้องรักษาพระวินัยนะครับครับครับท่านก็ยิ้มหวานเนะ่ยทีแรกทาหน้าดุนะยิ้มหวานเราต้องดุอะนะ เพราะมนเป็นหน้าที่ของอาจารย์ดูสิท่านน่ารักขนาดนี้นะเราบอกท่านว่าอย่ามาถามนะท่านก็ถามท่มบอกหน้าที่ของอาจารย์ต้องอบรมสั่งสอนเสร็จแล้ว่อว่าเรียบร้อยนะท่านก็ยิ้มหวานนะท่านรูปจีวรท่านเนี้แลนะ้วท่านก็เล่าท่านภาวนา ลำบากมากเลยสมัยก่อนคืนเขาลงห้วย เ, เ, เจอเสือเจออะไรตอนเลยเสียงอันตรายเสี่ยงชีวิตนะแรกกับธรรมะนะท่านก็คิดถึงธรรมะที่ท่านเข้าถึงน้ำตาไหลเลยนะซึมมีปีติถ้าคนมันดูไม่เป็นมันก็คิดว่าพราล้องไห้นะแสดงว่าพระมีกิเลสจัดเงา ที่จริงท่านมีปิติมันมีปิติอยู่ตัวหนปิติน้ำตาไหลปิติมีห้าตัวปิติมันเกิดได้ไหมเกิดได้ไม่ใช่กิเลสเป็นเรื่องของขันนั้นน้ำตาคลอท่านก็รูบรูปไปเรื่อยนะบอกเราจะตายขาผ้าเหลืองเนี้ยแล้วเราต่อสู้มาเต็มที่แนละ้วถึงเวลา คล้ๆถึงเวลาที่จะรับผลที่ต่อสู้มายาวนานแล้วนะคุณก็อยู่กับผาเหลืองไปตลอดเลยนะนะบอกท่านผมไม่คิดจะสึกหรอกครับแต่ก็โอเคนะดูนะถ้าเป็นคนแก่ทั่วไปีเสียงเริ่มแหบพอเมื่อเช้าพูดมารอบหนึ่งแล้วไม่กล้าแกมหมอนั่งอยู่ <c oughs> ขอสักหน่อยหมอก็ไม่อยากให้แกนมแกลแล้วมีปัญหาเรื่องเส้นเสียงช่วงนี้ก็ถือว่าดีขึ้นเยอะแล้วยังพูดได้พูดภาษาไทยชัดแล้วก่อนหน้านี้เสียงไม่มีเลยแย่ ความแก่ไม่ปราณีใครความเจ็บไข้ไม่ปราณีใครเราธรรมะเป็นที่พึ่งนะพวกเราะต่อไปชีวิตเราไม่รู้จะอะไรจะเกิดขึ้นบ้านเมืองมันเ ป, นเปลี่ยนรวดเร็วพอเราอายุเยอะขึ้นเราตามความเปลี่ยนแปลงไม่ทันนะเราเริ่มไม่รู้จักมันเริ่มไม่เข้าใจมันเริ่มแปลกแยกกับมัน ่กรุงเทพตอนนี้หลวงพ่อแปลกแยกแล้วหลวงพ่อเกิดกรุงเทพโตกรุงเทพทำงานอยู่กรุงเทพนะออกจากกรุงเทพมา้ามาบวชนะประมาณเกือบยี่สิบปีแล้วเข้าไปไม่รู้จักแล้วไม่รู้จักอะไรเลยตัวอย่างเปลี่ยนไปรวดเร็วสิ่งที่เราคุ้นเคยที่เราเคยเห็นที่เราเคยสัมผัสเคยใกล้ชิดนะ หายไปเรื่อยๆมีสิ่งที่เราไม่รู้จักเกิดขึ้นมาแทนที่เยอะะเลยเพราะนพวกเราอย่ามาชวนหลวงพ่อเจริญอิทธิบาทนะอย่าเจริญมากๆนะคนรู้จักตายไปหมดแล้วพวกอิที่ว่าให้เราเจริญนีมันไม่เจริญด้วยมันก็ให้เราอยู่คนเดียวอยู่ในท่ามกลางอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จัก ไม่มีความสบายใจแล้วมันไม่คุ้นเคยจนะรีบรีบภาวนาเข้าครูบาอาจารย์พูดเหมือนเหมือนกันทุกองค์ในช่วงหลังๆเนี่ยเมื่อสาสิปีก่อนนะครูบาอาจารย์ก็เคยบอกหลวงพ่อประโมทตอนนี้สัตว์นรกเนี่ยขึ้นมาเกิดมากนะต่อไปบ้านเมืองมันจะร้อน พวกเราธรรมะธรรมโมเนี่ยอยู่ยากให้ตั้งใจภาวนาหนีขึ้นข้างบนไปไปต่อข้างบนไปอยู่เทวโลกพร ม, มโลกอะไรก็ไปถึงเวลาพระเมตไตรมาตริตเข้ามาฟังสอนอย่างนีน้แต่เราเกิดแล้วอะแล้วเราอาจจะเป็นหนึ่งในพวกที่หนีมาก็ได้ ก <c oughs> ิเลสพวกเราแดงไหมแดงกิเลสเราก็แดงเราไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาเร็วนะเราดูเราก็เร็วเหมือนกันดูไปดูมาเร็วยิ่ยวกว่าคนอื่นอีกใครเคยภาวนาแล้ว เ, เห็นไหมกิเลสเราเกิดทั้งวันเลยกิเลสคนอื่นเราไม่เห็นมันเกิดทั้งวันนะ่ะนานๆเราเห็นทีแนตะ่กิเลสเราเราเห็นทั้งวันเลยหาคนเร็วเท่าเรานี่ยหายากนะภาวนาไปเรื่อยๆ อย่างน้อยชาตินี้ก็ต้องเอากำไรนะเกิดมาเพราะกิเลสก็จริงแต่ก่อนจะตายก็ขอเก็บสแปรกุศลมาเยอะๆหน่อยนะจเจริญศีลสมาธิปัญญาสะสมไปบุญวาสนาพอก็ได้มักได้ผลในชีวิตนี้ยังไม่ได้ก็มีต้นทุนชาติต่อไปภาวนาง่าย บางคนพอนาง่ายนะบางคนภานายากอยู่ที่สองแฟกเตอร์สองปัจจัยมีต้นทุนเดิมมาดีก็พานาง่ายต้นทุนเดิมมีแต่อกุศลก็ภาวนาลำบากแล้วก็ปัจจัยที่สองก็คือความเปลี่ยนในปัจจุบันมีความเพี่ยนชอบไหมถ้ามีความเพี่ยนชอบนะ มันก็พัฒนาขึ้นไปถ้าไม่มีความเพียรชอบมันก็ไม่พัฒนาสิ่งที่เรียกว่าความเพียรชอบคือเพียรลดละอกุศลที่มีอยู่เพียรปิดกัน้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดเพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดเพียรทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญขึ้น mm hmm. ถ้าเราทำสิ่งนี้นะ mm hmm. ใล้ๆเรามีต้นทุนเดิมอยู่แล้วามาต่อยอดถ้าต้นทุนเรามากพอ การต่อยอดของเราเขายันขันแข่งทำมากเราก็จะได้มรรคผลในชีวิตนี้แล้ะโสดาสักขทาคารไม่ใช่เรื่องยากหรอกง่ายมากๆเลยบอกให้ไปดูพระไตรปิฎกสี่ฟังพระพุทธเจ้าทีหนึ่งได้โสดาแปดหมื่นคนนะยุคนี้ไม่มีใครทำสถิตมีแต่มั่วนะเชื่อไม่ได้หรอก โสดา ห, หรือไม่เป็นดูตัวเองยังมีเงาของความเป็นตัวตนเหลืออยู่ไหมในใจเรานะถ้าในใจยังมีเงาของความเป็นตัวเป็น ต, ตนอยู่ก็ยังไม่ใช่หรอกนะแค่เงาเง า, เงานะดีย๋ยว่าแต่เซวัจจ์เซวัจัดไม่ต้องพูดถึงนะบางคนบอกว่าเป็นพระอราหันต์มีนะมันบอกหลวงพ่อว่าจบแนละ้ว หลวงพ่อบอกเข้าสมาธิให้ดูหน่อยสิเขาเข้าสมาธิปุ๊บจิตเคลื่อนไปพรมาโลกเลยหลวงพ่อก็ถามเห็นจิตเคลื่อนบ้างไหมเห็นจิตมันไหลไปไหมหรือไม่ไหลไม่ไหลจิตยังมีการไปมีการมาไม่ใช่พระอรหันหลบนะครูบาอาจารย์สอนไว้พระอรหันจิตนี้ไม่มีการไปการมาแล้ว ไม่จุติไม่อุบัติวางสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างมีอารมณ์สุขอยู่นี่จิตยังวิ่งไปอารมณโลกก็ไปเกิดอีกเลยพอบอกว่าไม่ใช่นะใจเสียเลยใจเศร้าหมองบอกว่ารู้ไหมว่าใจเศร้าหมองเห็น ไม่ใช่ผ้านาคาหรอกยังมีโทสะอยู่นะเนี่ยวิธีจัดการนะถ้าพวกเรารู้สึกว่าบรรลุแล้วเราจัดการตัวเองนะไม่ต้องมาให้หลวงพ่อจัดการให้หรอกนะจัดการตัวเองซะก่อนเลยว่ากิเลสอะไรละแล้วกิเลสอะไรยังไม่ละวิธีดูว่ากิเลสอะไรละแล้วหรือ ย, อยังเนะี่ยต้องดูด้วยจิตใจของมนุษย์ปกติอย่าไปส่งสมาธิอยู่เนะีย ส่งเข้ามาอย่างนี้นะล้าหมดแล้วไม่มีเลยตบกระโหลกทีเดียวพัวจิตหลุดจากสมาธิแล้วก็รู้ขึ้นเตะเราเลยนะงั้นเวลาจะวัดใจตัวเองเนี่ยวัดตอนที่ใจเป็นปกติของมนุษย์ธรรมดานี่แล้วมีกิเลสอะไรหรือไม่มีนะอย่างจิตทรงฌานอยู่ จิต ท, ทรงฌานอยู่หรือทรงอุปจาระอยู่เนียมันก็ไม่มีกระทั่งตัวตนนะสักยทิทิเนีมันเป็นอากุศลเป็นตัวทิทิเป็นอากุศลตัวหนึ่งเมื่อเรามีสติอากุศลไม่มีไม่ช้าบอกแล้วนะเพราะั้นความรู้สึกว่าเป็นตัวตนไม่ได้มีตลอดเวลามันมีตอนเราขาดสติอะนี่ถ้าทรงฌานอยู่นี่จิตมีสติอยู่ มีสติ ม, มีสมาธินิ่งจะอยู่ทั้งวันอยู่ทั้งวันก็ไม่เป็นไรเวลาจิตมันทรงสมาธิเข้าไปนะมันก็ไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นอย่าไปติดอยู่ในสมาธิถ้าจะวัดใจตัวเองนะออกมาเป็นคนธรรมดา แเ้าดูว่ามีกิเลสอะไรไหมถึงจะเห็ น, นเมื่อเช้าสอนเรื่องปฏิบัตินะตอนนี้สอนการตรวจสอบตัวเองตรวจสอบผลการปฏิบัติของตัวเองไม่ต้องมาถามหลวงพ่อหนูได้โสโดาอย่างหลวงพ่อไม่ใช่พระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้มอบสิทธิบัตรให้หลวงพ่อเป็นคนตรวจนะ ดังนั้นบินชนก็ไปตรวจด้วยตัวเองเอาแต่บางทีมันอวดว่าเป็นน้นเป็นนี่นะเราเห็นแล้วเราก็อดแย่ไม่ได้นะแย่น้นแย่นี่นะเดี๋ยวกิเล ก, ก็โผล่แล้วครูบาอาจารย์ก็ทำเหมือนกันมีผู้หญิงคนหนึ่งนะไปบอกเจ้าคุณอุบาลีวัดปรรมนิวาสดิฉันไม่โกรธแล้วดิฉันไม่โกรธแล้วก็คือพระนาคามี ท่านตอบมาคำเดียวโดดโดดอีต่อแหลตบ ก, กระดานผางเลยนะลูกขึ้นพระอะไรปากไม่ดีปากร้ายกร ะ, ะทืบเท้าปึ้งปึงป้งปึงเดินออกจากวัดเลยไปถึงหน้าวัดนึกได้ไี่โกรธกลับมากราบท่านขอขมาท่านท่านสอนหลวงปู่ดูลย์ก็มีพระบอกว่าเป็นพระอราหันต์นั้นท่านแก้ไม่ตกท่านด่า สนนรกสตระฉานสายหัววมพ้นหวพระอรหันต์โกรธเลยนะแต่เราอย่าไปลองคนอื่นด้วยวิธีนี้นะเกิดไปเจอครูบาอาจารย์ท่านภาวนาดีๆนะไปถึงไปชี้หน้าอยากลองมันก็จะโกรธเลยตาเถนราัดชีอย่างเงี้ยตกนรกเลย ไม่ใช่นาที่เราไปลองคนอื่นหน้าที่เราวัดใจตัวเองปลอดภัยที่สดุดวันนี้เทศจนหมดเวลาแล้วนะนะพวกตรวจกันบ้านพวกอยู่วัดเอาไว้ก่อนพวกที่มาเฉพาะวันนี้พรุ่งนี้ไม่มาใครจำเป็นจะส่งกันบ้านาหมอว่ามา นักประส ก, การพระอาจารย์ครับผมส่งกันบ้านครั้งสุดท้ายเมื่อก่อนพระอาจารย์จะป่วยก็บอกให้ลูกพ่อป่วยทุกวันะป่วยหนักตอนนั้นที่พระอาจารย์ไปเทศที่โรงพยาบาล <c oughs> ก็บอกให้เข้มแข็งก็เข้มแข็งมาตลอดปฏิบัติมาเรื่อยๆแต่ว่ารู้สึกเลี้ยวแรงพลังมันไม่ค่อยไม่ค่อยให้ปีที่แล้วก็เลยไปเข้าคอร์สห้าวันสามครั้ง แต่ละครั้งก็มีปัญญาขึ้นมาเล็กๆน้อยๆก็อยากจะมาเรียนถวายกันบ้านว่าในชีวิตที่ผ่านปฏิบัติมาตั้งแต่เรียนกับหลวงพ่อเนี่ยเห็นแล้วว่ากายไม่ใช่เราส่วนจิตไม่ใช่เราเนี่ยเห็นแวบๆอยู่สี่ห้าครั้งยังไม่ขาดครับก็ยังกิเลสยังเต็มทุกๆวันก็จะมาขอโอกาสหลวงพ่อว่า ปีนี้ผมเกษียณจะมาขอบวชเข้าพรรษาโอ้บวชเนี้ยต้องขออาจารย์อาเดี๋ยวเดี๋ยวจะข อ, อพระอาจารย์อาหลังจากนี้แต่ขอพระอาจารย์ก่อน แ, แต่กระซิบก่อนนะเต็มไปหลายปีแล้วครับอีกฉิวนี้ยาวเฟ้ยเลยหลายพรรษา เพื่อนมาถามเมื่อเดือนธันวาบอกให้มาติดต่ออีกครั้งมกกาลาเมื่เมอเร็วๆนี้ดีแล้วเดี๋ยวถามอาจารย์ระหว่างที่รอก็ขอกัรบ้านจิตไม่เข้าฐานครับสมาธิไม่ดีนะ ร, ร, รู้สึกไหมรู้สึกครับจิตยังไม่เข้าฐานอย่าดึงจิตให้เข้าฐานหายใจซิหายใจเฉยๆเลยหายใจแล้วรู้สึกตัวเฉยๆไม่สนใจว่าจิตจะเข้าฐานหรือไม่ แต่กดไปนีติดไม่กดนีนีๆแต่ว่ามันเริ่มเข้าไปแล้วทำไงมันจะมาเข้าฐานโดยไม่กดหายใจไปโดยไม่ได้อยากให้มันเข้าฐานถ้าอยากเมื่อไหร่กดเมื่อนั้นเลยนะตอนนี้อยากแล้ว<ม>รู้สึท้ายนะี่รู้ตัวเนี้ยกราบพระคุณครับของหมอตอนเนี้ยปัญหาคือสมาธิมันไม่ถูกสมาธิมันไม่พอนะ่ะ กรับหลวงพ่อครับผมขออนุ ญ, ญาตส่งกันม้านในรอบ2ปีนะครับผมก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆนะครับช่วงหลังๆเวลาสติเกิดเองในชีวิตประจำวันตอนนั้นจะรู้สึกว่าใจเบาสบายหัวก็โปร่งๆครับแต่ใจเหมือนจะมีความทุกข์บางๆอยู่ด้วยครับบางทีก็มีความเศร้าอยู่ด้วยครับก็คืออยากจะถามหลวงพ่อว่าผมปฏิบัติผิดหรือว่าใจมันแกล้งสร้างความ ทุกนั้นขึ้นมาหรือเปล่าแสงเจไม่มันพูดขึ้นมาเองอย่างตอนนี้มันยังพุดเลยครับก็แค่รู้แค่เห็นไปดูสิมันไม่ใช่ตัวเรามันพูดขึ้นมาได้เองครับตัวอย่างนี้เรื่อยๆไม่ต้องหาทางแก้ไม่ต้องสงสัยว่ามันคืออะไรสงสัยรู้ว่าสงสัยไปไม่ต้องแก้ก็เห็นแต่ว่าสภาวะทั้งหลายมันมาแล้วก็ไปมันมาแล้วก็ไปดูไปเรื่อยๆ จิตยังไม่ตั้งมั่นยังฟุ้งซ่านอยู่ดูออกไหมครับเรื่องจิตฟุ้งซ่านเนี่ยคือปัญหาใหญ่ที่สุดเลยนะที่หลวงพ่อเห็นนะเรื่องจิตไม่ตั้งมั่นเรื่องจิตไม่ตั้งมั่นยู่ตั้งก็ตั้งไม่ถูกไม่ตั้งแบบเคร่งเครียดนะตัวนี้เป็นตัวปัญหาหลักของคารวานะคือสมาธิไม่พออย่างพวกคารวาสมาบวชนะใช่ไหมก็ต้องคารวาสมาบวชใช่ไหม พรก็ไม่ต้องมาบวชหรอกนะพวกฆร า, าวานมาบวชเนี่ยเดือนแรกเนี่ยนะเรื่องสมาธิเท่านั้นเลยต้องปรับสมาธิให้ถูกเมืสมาธิไม่ถูกนะใจไม่มีกําลังที่จะเจริญปัญญาจริงงั้นพอสมาธิมันถูกแล้วเนี่ยมันเดินปัญญาอตโนมัติสมาธิไม่ถูกไม่เดินปัญญาหรอกนี่ต้องปรับไปเรื่อย ต้องมีวินัยแบ่งเวลาไ้ปฏิบัติทุกวันนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึง่งสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแต่ต้องทำไม่ได้ทำเพื่อสงบอย่างพุโทโธก็พุโทโธไปหายใจเข้าพุทออกโธอะไรก็ทำไปนะทุกวันทุกวันสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างทำไปแล้วก็รู้ทานใจตัวเองไปเรื่อยสมาธิมันจะเพิ่มขึ้น พอมีสมาธิแล้วเนี่ยขันมันจะแยกพอขันมันแยกแล้วเนี่ยมันจะเดินตัญญาจะเห็นนะขันแต่ละขันไม่เที่ยงขันแต่ละขันเป็นทุกขันแต่ละขันไม่ใช่ตัวเรานะจะเห็นเองเขาอีกคําถามหนึ่งนะครับตอนผมนั่งสมาธิในรูปแบบอะครับก็อ รู้สึกกายที่หายใจแล้วก็พูดโทไปด้วยครับใจก็สงบลงเรื่อยๆแล้วสักพักหนึ่งก็จะหมดความรู้สึกตัวไปเลยคิดว่าพงหลับอะนะครับแล้วพอความรู้สึกตัวกลับมาจะรู้สึกว่าตะกี้นี้เหมือนมีความคิดกําลังคิดอยู่ดังทั้งที่ตะกี้นี้ไม่ได้รู้สึกตัวครับแล้วก็จะเริ่มรู้สึกร่างกายที่มัน <c oughs> ปวดเมื่อยครับมผมควรจะนั่งสมาธิแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าครับหรือว่าเปลี่ยนไปทําอะไรที่มันไม่หลับนะครับนั่งสมาธิก็ได้ แต่ไม่ขาดสติไม่ใช่นั่งระบูไม่มีกายไม่มีใจเหลือนะกายหายได้แต่ใจหายไม่ได้ถ้าใจหายก็เป็นพรมลูกฝักต้องมีใจอยู่แต่ที่เล่ามาตะเกียไม่ถึงพรมลูกฝักมัขาดสติลงไปเฉยๆเพราะฉะนั้นจิตมันยังคิดอยู่ข้างในยังปรุงอยู่มันเคลื่อนไหวอยู่ข้างในเพราะฉันยังไม่ใช่พรมลูกฟักยังมีจิตอยู่ ไปไปทำทุกวันนะสงบเพื่อช่างไม่สงบเพ่อช่างขอให้รู้ทันจิตตัวเองเท่านั้นแหละวับเร็คนสุดท้ายการละมัศการหลวงพ่อค่ะเป็นลูกศิษย์ทางย t ทู e เวลาที่เราดูจิตนะคะเราพอเราเห็นปุ๊บเขาก็หยุดคิดเขาก็จะหายไปเราก็เอ๊ะเรากำลังเพ่งอยู่ใช่ไหม เราก็อ่านไม่เพง่งก็ทำอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆแล้วเราก็มามาดูกับการใช้ชีวิตปกติว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงยังไงหรือเปล่าพอเราอะไรมากระทบเราเราก็ดูว่าเรารู้สึกยังไงพอเราเห็นแล้วเราก็หยุดอารมณ์ตรงนั้นได้แต่ในบางการกระทบบางอย่างที่เราจะแพ้ทางตลอดเวลาเจอตรงเนี้ยแล้วเรา รู้เห็นว่าใจเราเป็นยังไงแต่เราหยุดอารมณ์ตรงที่มันปรุงไม่ได้เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อหยุดอารมณ์นะเราจะปฏิบัติเพื่อให้เห็นว่าเราบังคับอะไรไม่ได้เลยเราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติแล้วมีอารมณ์เกิดมาดูปุ๊บดับแล้วเฉยๆอยู่เนี่ยแสดงว่าเพ่งนะเข้าไปแทรกแสงแต่ถ้าเห็นมันเกิดดับ เดี๋ยวก็หลงอีกเกิดอีกดับอีกอะไรเงี้ยใช้ได้นี่มันจะมีอารมณ์บางตัวที่เราแพ้มีแทบทุกคนแหละนะอย่างบางคนแพ้สามีเห็นหน้าสามีแล้วโทรสาขึ้นเขายังไม่ทันอาปากเลยนะมั <c oughs> เรียกว่ามันแพ้กันนะบางคนก็แพ้ภรรยานะเห็นหน้าแล้วมันหงุดหงิดนะมันแพ้กันห้ามไม่ได้ ก็่อรู้าไม่ต้องแก้หรอกก็ก็ดูดูที่ความรู้สึกตรงนั้นไปเรื่อยๆใช่ดูความรู้สึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นความรู้สึกทุกอย่างไม่เที่ยงความรู้สึกทุกอย่างไม่ใช่สิ่งที่เราบังคับได้ดูเพื่อสิ่งนี้น ะ, ะไม่ใช่ดูเพื่อบังคับจิตให้นิ่งให้ว่างนะไปตั้งหลักให้ถูกคือ นูก็พยายามดูว่าเอ๊ะตอนเนี้ยเร า, ากําลังเพ่งอยู่หรือเปล่าแล้วทํำยังไงที่ไม่ให้เพ่งตอนนี้กําลังฟุง้งนซะ่านตอนที่เอ๊ะเหมือนเพ่งไม่เพ่งรู้เลยกําลังฟุง้งนซะ่านถ้าไม่ฟุง้งซ่านไม่เอ๊ะไม่เออะไรหรอกนะเกิดสงสัยเนะี่ยฟุ้งซ่านแล้วสงสัยขึ้นมานะดูทันเข้าไป ส่วนใ่ก็สงสัยแล้วก็เลยฟุ้งซ่านตอนนั้นจิตตกจากสมาธิแล้วนะจิตเกิดความสงสัยขึ้นมาจิตเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาจิตอยากได้คำตอบขึ้นมาเห็นกิเลสเกิดเดอยอะแยะไรเป็นแถวเลยรู้ก็าไปตรงตรงรู้ตรงตรงอวันนี้ได้เท่านี้นะเชิญกลับบ้านนี่ต้อง ขอบคุณหมอนะรักษาเสียงหลวงพ่อจนแจ่มใสขึ้นมาหน่อย <c oughs> ได้ยาดีด้หไหมอยากได้ไหมอบอบจมูกด้วยไอ้น้ำกัล้างจมูกด้วยน้ำเกลือไม่มียาตัวอื่น